หรือพระาหันทั้งหลายก็คือผู้ที่อิงอยู่ในพระนิพานอาศัยอยู่กับพระนิพานพระนิพานเป็นเป็นที่อะไรเรียกว่าพราเรยะทั้งหลายโอนไปในวิเวกเงื้อมไปในวิเวกน้อมไปในวิเวกนั่นคือพระาหาันก็เหมือนกับว่าที่อยู่ของพระาหาันถ้าพาเรยาสโสดาบันสกธาคามีอานาคาามีก็เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ยังไม่ใช่ใครเรียกว่ากําลังจองเมืองอะไรนั้จองว่าจะเอาตรงไหนเข้าเข้าเข้าเข้าอยู่แน่แหละ ทำธุระมาให้เสร็จจะได้มาอาศัยภาพอาหารก็เหมือนกับว่าผู้ที่อยู่เหมือนนะอย่าไปคิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารเขา้าท่านนึกเป็นภาพก็ไม่ใช่นิพพานไม่มีสไมไมีไม่มีภาพให้เห็นไม่มีเสียงให้ฟังไม่มีกลิ่นให้รับรู้ไม่มีโพธาะให้ให้รับกระทบเนี่ยนะเพราะฉั้นเราอย่าไปคิดเป็นรูปประทามแต่นี้เปรียบเปรียบให้มันเข้าใจง่ายๆเนี่ยนะเพราะว่าวินยูชนในโลก จะเข้าใจเนื้อความได้หรือจะรู้เข้าใจง่ายๆได้ก็อาศัยอุปมาเพราะฉะนั้นอุปมาการเปรียบเทียบมันเปรียบให้เข้าใจง่ายไปเข้าใจตามที่เปรียบเข้าไปหยุดอยู่ตามที่เปรียบจริงก็จบเลยเนี่ยนะพระศ า, ศาสดาพระองค์นั้นสร้างถนนสายใหญ่ๆเอาไว้เนี่ยนะที่รถไม่ติดเหมือนกรุงเทพหรอกนะถนนใหญ่ๆที่สำเร็จด้วยสติปัฏฐาน สติปทานนั้นน่ะนะสติปทานก็สัมสติปทานอันใดอันนั้นก็เป็นสัมมาสติสัมมาสติก็อยู่ในอริยมรรคนั่นเองสติปทานนั้นอ่ะเป็นถนนเส้นที่เรียกว่าไม่ขาดไม่คดเป็นถนนที่ตรงเอกายโนพิขเวายังมัคโคสัตตานังวิสุทติยาดูก่อนพิสูจทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งศาตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกาปริเทวะ เพื่อดับไปแห่งทุกโทมนั์เพื่อบรรลุอริยมรักเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งอันสติปฐานก็คือเท่ากับการประกาศอริยมรักนั่นแหละเป็นทางที่ไม่มีการไปถึงแล้วถนนขาดถนนตกไม่มีหรือตกถนนเนี่ยไม่มีนั้นหรือไปแล้วโคดงอไปงอมาซิกแซกอันนี้ก็ไม่มีเป็นถนนตรงที่ตั้งวางไว้สู่นครคือพระนิพพานอันในสติปทานนั้นนะจึงกล่าวว่า จึงกล่าวอะไรว้ในสติปัฏฐานอัตถกาถาเปรียบเหมือนว่านิพพานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเมืองสี่ทิศเมืองสี่ด้านเมืองสี่เหลี่ยมเหมือนันเถอะกายานุปัสสนาก็าเหมือนประตูที่ตะวันออกเวทนาก็าเหมือนประตูที่ใต้จิตตาก็าเหมือนประตูที่ตะวันตกธรรมานุปัสสนาก็าเหมือนประตูด้านทิศเหนือชนเหลา่าใดนะถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องเจริญถืออันไหนเป็นหลักก็เข้าสู่นครคือพระนิพพานได้ฉันนั้น แต่ว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นทางตรงคือสติปฐานอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์คือพระสมณะพุทธเจ้าทรงสร้างถนนใหญ่เป็นถนนที่ไม่ขาดถนนที่ไม่คดเป็นถนนตรงที่หนาและก็กว้างหนาก็คือไม่ใช่ว่าเยียบไปแล้วก็ยุบนะรถหายไปทั้งคันเลยไม่ใช่แบบนั้นเป็นถนนที่หนาแน่นมากอย่างดีและก็กว้าง ถนอนอันนั้นก็คือสติปัฏฐานอันประเสริฐนั่นเองอธิบายว่านิรันตรังชื่อว่าไม่ขาดเนี่ยนะนิรันตระหรือนิรันดอนนะนะภาษาไทยไทยเราเรียกว่านิรันดอนไอ้คาว่านิรันดอ น, อ น, น, ดอนแปลว่ามันไม่ขาดเพราะอะไรเพราะกุศลชาวนะจิตสัญจรไปอย่างไม่ว่างเวน้นกุศลชาวนะจิตทั้งหลายโคจรไปตาม สติปฐานนั่นเองนะนผู้ที่เจริญสติปฐานไม่มีชาวนะจิตว่างเว้นจากการเจริญสติปฐานความคิดของเขาคิดตามแต่สติปฐานอย่าลืมว่าสติปฐานเป็นความไม่วิปลาดว่างามว่าสุขว่าเที่ยงและว่าเป็นอัตตาไม่มีชาวนะไหนที่จะไปเข้าใจว่าสุขงามเที่ยงสุขและอัตตาเลยนะี่นะว่าโครจรไปอย่างนั้นแบบไม่ขาดสาย เป็นถนนที่ไม่ขาดนิรันตระไม่ขาดนะเพราะเป็นไปอย่างสืบเนื่องบทว่าอากุติลังไม่คดที่ไม่คดหมายถึงเว้นจากโทษที่ทําให้คดเพราะไม่ตัวที่ทําให้คดราคะทําให้คดโทสะทําให้คดโมหะทําให้คดถนนเส้นนี้คือสติปัฏฐานไม่ถูกกิเลสรั่วรถทําให้คดเลยอุชงได้แก่ชื่อว่าตรงตรงก็เพราะไม่คดคํานี้เป็นคําอธิบาย คำต้นก็คือคำว่าไม่โคตหมายถึงตรงบทว่าวิปุละวิตตถังได้แก่ชื่อว่าหนาและกว้างเพราะเป็นถนนที่ยาวและกว้างความที่สติปฐานหนาและกว้างพึงเห็นได้โดยสติปฐานที่เป็นโลกิยะและโลกุตระในสติปฐานที่เป็นโลกิยะนั้นว่าโดยบัพพะเท่าไร น, นะว่าโดยบัพพะที่พระองค์จำแนกโดยนยะต่างๆทั้งย1บัพพะ แต่ละบัพพะก็ยังลงสู่อ ม, มะตะนิพพานที่เดียวทัานสติปัฏฐาน เ, เหล่านั้นก็มีองค์ประกอบมากมายบทว่าสติปัฏฐา น, นวรุตมังสติปัฏฐานนั้นด้วยสูงสุดในธรรมอันประเสรดด้วยด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าสติปัฏฐานสูงสุดในธรรมอันประเสริฐหรือถนนที่สูงสุดคือสําเร็จด้วยสติปัฏฐานเนี่ยนะสเตทยกสติขึ้นมาแล้วสติคู่กับ สัมปัญญถทายสติสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสมาธิก็กล่าวแล้วเนี่ยนะถ้ากล่าวสติสติที่มีปัญญากำกับปัญญาประกอบปัญญาอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากล่าวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปก็เป็นตัวฐานช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่จะดำรงอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นจะต้องมีศีล คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะรองรับนั่นเองบัดนี้พระองค์ก็ปูแผ่รัตนามีค่ามากเหล่านี้นะหมายความว่าเมื่อสร้างเมืองเสร็จสร้างถนนหนทางองค์ประกอบเสร็จรัตนะที่เป็นเมืองรัตนะนะเมืองแก้วว่างั้นคำว่าเมืองแก้วรัตนะแปลว่าแก้วแต่เป็นแก้วประเสริฐแก้วสูงสุดแก้วอันนั้นก็คือสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสี่อภิน ญ, ญาหก สมาบัติ8พระองค์ก็ลาดลงบนตลาดธรรมะทั้งสองข้า ง, งนะตลาดแห่งการค้ากุศลธรรมคืออะไรสามัญญผล4ปฏิสัมพิทาสี่อภินยาหสมาบัติ8วางไว้สองข้างทางถนนสติปัฏฐานนัน้นถ้าใครเดินตามถนนเส้นทางคือสติปัฏฐานเนี่ยนะซื้อขายสามัญญผลสี่ซื้อขายโูดาปฏิพนสกธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผล นะสา ม, มารถที่จะจับใจ่ายใช้สอยอัฏฐธรรมนิรุตติปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาได้หรือจะใช้อภินยาหกเป็นต้นก็ได้สมาบัติแบบมีปฐมฌานเป็นต้นก็ได้แห่งนครคืออมตะนิพานนั้นวันถ้าเข้าสู่อมตะนิพานแล้วสามัญญผลสี่จะไปไหนเพราะฉะนั้นพระองค์ยังตรัสว่าพระพุทธเจ้าพระนามวิถีพังกรพระองค์ทรงปู ป, ปูแผ่สามัญญผลสี่ ปฏิสัมพิธาสีอภิญยาหกสมาบัติแปดณถนนนั้นบัดนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุบายเครื่องยึดถือเอาซึ่งรัตนะเหล่านั้นว่ากุลบุตรเหล่าใดถ้าไม่ประมาทโดยมีสติเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดประกอบพร้อมด้วยหิริและโอต ป, ปะมีวิริยะเป็นต้นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมยึดไว้ได้ซึ่งสินค้าคือรัตนะเหล่านี้นะนะเจ้า ถ้าหากว่ามีมีอะไรมีความไม่ประมาทเป็นพวกที่ไม่เผลอเรอ่เนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่เลินเลอ่อเนี่ยนะเป็นคนที่จริงจังอ่ะนะมีสติละเลิกได้มีความรอบรู้ะนะละอายชั่วกลัวบาปเป็นผู้ที่มีความภาพเปลี่ยนพยายามถ้าเดินตามทางที่พระองค์วางเอาไว้ก็จะได้สินค้าเหล่านั้นคือสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหสมาบัติ8เพราะเข้าถึงอันนครคือพระนิพาน องจึงตรัสว่ากุลบุตรเหล่าใดไม่ประมาทไม่มีตะปูตรึงใจประกอบพร้อมด้วยหิริและวิริยะกุลบุตรเหล่านั้นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมยึดไว้ได้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐเหล่านี้ตามสบายนะนะไม่ยากหรอกเนี่ยนะไม่ไม่ยากห ร, นะรอกที่จะเข้าถึงบทว่าอัปมัตตาประกอบพร้อมด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อความประมาทประมาท ประมาทก็คื อ, อมะท t เนี่ยนะความประมาทก็คือความปล่อยใจไปในกาลมคุณทั้งหลายความปล่อยใจไปในทุจริตทั้งหลายความที่เกลือเกลื่วยอยู่กับบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ประมาทก็คือไม่อยู่โดยปราศจากสตินะสติสัมปชัญญะไม่ปราศาัศกาลไม่อยู่โดยไม่ปราศจากสติสัมสติทาศกะสัมปชัญญะสติสัปปายะสัมปชัญญะโคจรและ อสัมโมหสัมปัญญะถ้าอยู่อย่างนั้นได้ก็จเจริญดีอคิีลาปราศจากตะปูตรึงใจเครื่อห้าประการไม่มีความสงสัยในพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีความสงสัยในพระธรรมคุณไม่มีความสงสัยในพระสังฆคุณไม่สงสัยในศิษ ข, ขาไม่มีใจคอยโกรธคอยเครื่องเพื่อนสะพรมจันทั้งหลายานะไม่ใช่แค่เหยียบเท้ากันก็โกรธแล้วนั้น บทว่าหีริวิริเยน ะ, ะวิริเยหุปากตาความว่าชื่อว่าฮีริเพราะละอายทุจริตทั้งหลายละอายต่อความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจละอายใจเหลือเกินที่จะทำความชั่วทางกายวาจาใจวิริยะเพราะเป็นผู้กล้าหารเรื่องการงานของคนกล้าชื่อว่าวิริยะวีระนะวิริยะมีลักษณะขมักขม่นพับพบุคคลคนที่ควรจะตรัสรู้ทั้งหลาย เข้าถึงประกอบพร้อมด้วยหฮริและวิรยะคําว่าพับภาพ บ, บุคคลคนที่ควรตัสรุปเพราะไม่มีเครื่องกลางกัน้นไม่มีกรรมเป็นเครื่องกลางกัน้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกลางกัน้นนะนะไม่มีโทษเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องกลางกัน้นกุลบุตรเหล่านั้นย่อมยึดไว้ได้หรือประสบซึ่งรัตนะมีสามัญญผลปฏิสัมพิทาอภิญญาสมาบัติเป็นต้นเหล่านั้นอย่างแน่นอนนะ ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะทรงธรรมความรู้แจ้งทางใจแล้วพระองค์ลั่นธรรมเภรีคือกลองแห่งทมสร้างธรรมนครเอาไว้หมดยังสัตสนโกรธให้ตรัสรู้เนี่ยนะก็เรียกว่าวสร้างเมืองเสร็จยังให้ประชุมชนแสนโกรธอยู่อาศัยสบายเลยนะพระองค์เก่งเก่งสร้างเมืองให้ชนจำนวนมากอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระาศาสดาทรงยกมหาชนขึ้น ด้วยการประกอบอย่างนั้นคือด้วยการแสดงธรรมจึงทรงยังสัตว์แสนโกรธให้ตรัสรู้บทว่าอุธรันโตได้แก่ทรงยกขึ้นจากสาครคือสังสารวัตรด้วยยานคือนาวานาวาคืออริยมรรคเนี่ยนะสาครคือทะเลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทะเลคือกามะอ่นะทะเลคือกามทะเลคือทิฏฐิทะเลคือพบทะเลคื อ, อวิชาเนี่ยพระองค์ก็ยกขึ้น โดยอาศาัยยกขึ้นสู่เรือคืออริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นให้ข้ามทะเลคือสังสารวัตให้เข้าถึงเมืองพระนิพพานดังที่กล่าวไปอันนี้เป็นการตรัสรู้ครั้งแรกอภิสมัยการตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายครั้งแรกจำนวนมากส่วนครั้งที่2การตรัสรูม้มหาสมัยการตรัสรู้อย่างมากครั้งที่สองว่าสมัยใดพระสมณพุทธเจ้าผู้นาโลก ทรงรมยมกะปาติหารเนี่ยนะซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็แสดงยะมะกะปาติหารเพื่อข่มความมัวเมามัวเมาก็คือความเมาอะนะเมาด้วยความเป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเมาในความเป็นหัวหน้าเป็นต้นหรือความลำพองมาณนะของเดรธีณโคนต้นมะม่วงนะนะณกรุงสุนันทวดีพระองค์ก็ทรงยังสัตว์ยกสัตว์ประมาณพันโกดให้ดืม่มอมตะธรรมนะนะช่วยให้สัตว์เป็นพันโกดแหละ เห็นอริยสัตว์อันนี้เป็นธรรมมาพิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่สองเป็นการรู้เห็นอริยสัตว์จำนวนมากครั้งที่สองเกล่าวเป็นคาถาว่าสมัยใดพระมหาวีระทรงโอวาทมูเดียรถีสมัยนั้นการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์จำนวนพันโกดในการแสดงธรรมครั้งที่สอง สมัยใดเทวดาและมนุษย์ในหมื่นจักรวาลประชุมกันในจักรวาลนี้ตั้งเรื่องนิโรธขึ้นว่าท่านเข้านิโรธกันอย่างไรถึงพร้อมด้วยนิโรธอย่างไรเนี่ยนะคือคือเข้าถึงนิโรธเนี่ยนะนิโรธปัญหานิโรธนั้นหมายถึงสมาบัติทั้งหลายหรือว่าอ่านิโรธสมาบัติหรือว่านิโรธคือพระนิพพานเนี่ยจะเข้าถึงนิโรธสมาบัติได้อย่างไรจะบรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างไร หรือนี่เน้นพิเศษคือนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติก็คือการดับขันท่านะเป็นอขอไปการดับนามขันทั้งหลายเนี่ยนะการดับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยที่เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยนิโรธสมาบัติจะเข้าอย่างไรใครบ้างที่มีคุณธรรมเข้านิโรธสมาบัติได้และนิโรธสมาบัติออกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเทวดาในเทวโลกฝ่ายกามาวจร6ชั้นพรหมในพรหมโลก พร้อมด้วยมนุษย์ไม่อาจจะวินิจฉัยในการเข้านิโรธสมาบัติไม่ไม่สามารถวินิจฉัยว่าการอยู่ในนิโรธสมาบัติอยู่อย่างไรออกจากนิโรธสมาบัตินั้นออกได้อย่างไรก็เลยแบ่งกันเป็นสองพวกสองฝ่ายจากนั้นถึงพร้อมด้วยพระเจ้าอรินธรรมะเนี่ยนะผู้เป็นนราธิบดีนะพาพระราชาไปพระราชาก็เผยเฝ้าพระสมณะทศพลผู้เป็นนาทะที่พึ่งของสัตว์โลกในเวลาเย็น เจ้าอารินธรรมะครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็ทูลถามนิโรธปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตอบนิโรธปัญหาแล้วธรรมมาพิสมัยการรู้เห็นอริยสัจได้มีแก่สัจเก้าหมื่นโกดอันนี้เป็นธรรมมาพิสมัยการรู้เห็นอริยสัจครั้งที่สามพระองค์จึงตรัสเล่า ว, ว่าสมัยใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมเพียงใจกันมีใจเป็นอันเดียวกัน โทนถามนิโรธปัญหาแลข้อสงสัยทางใจแม้ในสมัยนั้นในการแสดงธรรมในการแสดงนิโรธปัญหาธรรมาพิสมัยครั้งที่สก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ 90,000 ืโกธพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนณะพระองค์นั้นมีสาวกสนิบาตการประชุมพุทธสาวกที่เป็นพาดหันในี่สามครั้ง ในส า, สาวกสนิบาตการประชุมอรหันตสาวกครั้งที่หนึ่งนั้นกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระอรหันตันโกรธผู้บวช ด, ด้วยเอหิภิคุบรรปชาทรงอาศัยอยู่ณเมฆละจําพรรษาแล้วก็ปรวรณาด้วยปรวรณาครั้งแรกอันนี้เป็นสาวกสนิบาตครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระมุนีผู้ประเสริฐ ด, ดังดวงอาทิตย์ พระพุทธเจ้าเนี่ยเด่นเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นกลางหาวพระองค์ประทับนั่งเหนือภูเขาทองประมาณโยชดหนึ่งซึ่งบังเกิดด้วยกำลังกุศลของพระเจ้าอาริธรรมะไม่ไกลไม่ไกลเนเช่นอะไรเช่นกับสังกัสานครไม่ไกลสังกัสานครเหมือนดวงทินกรส่องรัศมีอันงามยามฤดูศาสเหนือขุนเขายุขันธ์ใครที่เคยดูดวงอาทิตย์ขึ้น สมมติว่ามีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นรอยอยู่เหนือเขานะมองอย่างนั้นฉันใดพระพุทธเจ้าอยู่เหนือยอดเขาก็ฉันนั้นพระองค์ทรงฝึกบุรุษ9ก้า0มื่นโกดซึ่งห้อมล้อมพระเจ้าอรินธรรมะตามเสด็จมาทรงให้เขาเหล่านั้นบวช ด, ด้วยเบเอหิพ e ิกุ u. อุปสัมปทา บรรชาทั้งหมดทุกคนเราภิกษุบรรลุพระอรันในวันนั้นนั่นแลเวทล้อมแล้วพระองค์ก็ยกปาติโมขึ้นแสดงในสันนิบาตอันประชุมด้วยองค์4ี่อันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สององค์สี่มีอะไรบ้างวันมาฆบูชาเนี่ยนะวันมาฆบูชาท่านเหล่านั้นมาโดยไม่ได้นัดหมายทุกท่านเหล่านั้นล้วนแต่วิชาสามบวเอหิพิขุทั้งหมดเลย ส่วนครั้งที่สบอกว่าสมัยใดเท้าส ก, กะเทวราชสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระสุขตสมัยนั้นพระเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมนณะอันภาอรหารแปด0 0ื่นโกดเวทล้อมแล้วก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันิบาตครั้งที่สาม เพราะฉะนั้นตรัสเป็นคาถาเล่าว่าพระสมณะพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสาวกสันนิบาตประชมพระอาหารหันต์ขีนาศพผู้ไร้ความเศร้ามองทางกายวาจาใจผู้มีจิตสงบตั้งมั่นสามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเข้าจำพรรษาเมื่อท่านประกาศวันปวารณาแล้วพระตถาคตก็ปวารณาพรรษาพร้อมกับภิกษุแสนโกร ในสันนิบาตการประชุมต่อจากนั้นสันนิบาตครั้งที่1นั้นณนะภูเขาทองไร้มนทินพิสุกเก้0 0 0ื่นโกธประชุมกันอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่2ส่วนครั้งที่ 3, ทสเท้าสกะเทวราชเข้าเฝ้าเยี่ยมพระพุทธเจ้ า, านะเทวดาและมนุษย์8ปดหมื่นโกดประชุมกันนั้นเป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สาม ฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราล่ะเล่ากันมาว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพญานาคชื่อว่าอัตุละคือาไม่มีใครเปรียบเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธมตุลังเนี่ยนะชันใดอัตุละก็ฉันนั้นหมายว่าไม่มีใครเปรียบเพราะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากได้ยินว่าพระโพธิสัตว์ได้ทราบข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอันหมูญาติพ้อมล้อมแล้วก็ออกจากภพของตนพอได้ข่าวก็ชวนญาติเข้าไปเฝ้า พญานาคทาบุญนะนะพญานาคก็มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าสุมานณะซึ่งมีภิกษุแสนโกดเป็นบริวารด้วยดนตรีทิพถถวายมหาทานถวายคู่ผ้ารูปละคู่นะถวายทานเสร็จก็อยู่ในสารณะถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะพระศาสดาพระองค์นั้นทรงพยากร์พญานาคว่าพญานาคท่านนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพญานาคเป็นพญางูได้พระองค์ก็เล่าว่าสมัยนั้นเราเป็นพญานาคชื่อว่าอตุละมีฤทธิ์มากสั่งสมกุศลเอาไว้มากครั้งนั้นเราพร้อมด้วยญาต์ด้วยเราญาตินาคก็มีนาคมีญาต์เป็นงูเนี่ยนะก็พากันออกจากพิภพนาคไปบูชาหรือบำเรอพระชินพะพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ด้วยดนตรีที่ เราเลี้ยงดูภิกษุแสนโกรธให้อิ่มหนำสําราญด้วยข้าวน้ําถวายคู่ผ้ารูปละคู่แล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสารณนะพระสมณะพุทธเจ้าผู้นำโลกพระองค์นั้นก็พยากรเราว่าท่านผู้นี้จัะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตในกับที่นับประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้เรื่องราวของความเป็นพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสมณะพยากร ก็เป็นไปอย่างที่เราศึกษาอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเราฟังพระดำรัสของพระสมณนะคือพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมณะแล้วก็ยังจิตให้เลื่อมใสอธิษฐานข้อวัดให้ยวดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้นไปหมายความว่าบีบในการเจริญกุศลเนี่ยนะแปลว่าเพิ่มเวลาในการเจริญกุศลเพิ่มกุศ ล, ลจิตให้มากยิ่งขึ้นเพื่อบาเพ็ญบารมี คุณธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ฝ่าพระพุทธะนะประวัติของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสมณะมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสมณะพระองค์นั้นทรงมีพระนครชื่อว่าเมฆละมีพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุทตะมีพระชนนีพระมารดาพระนามว่าพระนางสิริมาเทวีมีคู่อัครสาวกชื่อว่าสารณะและภาวิตตะ มีพระพุทธอุปถากชื่อว่าพระอุเทนะมีอ่นะพระอุเทนะนะมีคู่อักขระสาวิกาชื่อว่าพระโสนาและอุปโสนามีโพธิพฤกต้นโพธิที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นนาคกากะทิงพระองค์มีพระศสีระสูง90้บศอกมีพระชนมายุเก้าหมื่นปีมีมเหสีพระนามว่าพระนางวตังสิกาเทวีมีพระอุรสพระนามว่าอนุปมะ พระองค์ออกพิเนศกรมออกบวช ด, ด้วยยานช้างพญาช้างอุปทาของพระองค์ชื่อว่าอังคาราชาประทับณนะพระมิหารชื่อว่าอังคารามด้วยเหตุนั้นนะนะก็ตรัสเป็นอย่างที่เราฟังมาแล้วนั่นเองทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยมีพระชนอยู่ในยุคนั้นประมาณ 90,000 ปีพระองค์มีพระชนยืนอย่างนั้นพระองค์ก็สั่งสอนหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะสงสาร น, น, นะนะ ช่วยเราเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามทิธโธฆะพวโฆะอวิโชคะกาโมคะให้สําเร็จข้ามนะให้ข้ามด้วยโสดาปฏิมักข้ามจากทิธโธคะด้วยโสดาปฏิมักข้ามจากกาโมคะนะกับข้ามกาโมคะด้วยอนาคาเมมักข้ามพวโฆะกับอวิโชคะด้วย อรหัตตมักเนี่ยนะข้ามพ้นจากขันธะอริยตนะข้ามพ้นจากชาติชรามอรณะโสกะปริเทวะทุกโทมรัะและอุปาญาตนั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงยังหมูชนที่ควรข้ามให้ข้ามได้นะยังชนที่ควรข้ามให้ข้ามโอคะสงสารยังหมูชนที่ควรตรัสรู้ให้ตรัสรู้ใครที่มีความสามารถพอจะข้ามได้พระองค์ก็ช่วยให้เขาข้ามได้สําเร็จ ผู้ใดมีความสามารถพอที่จะตรัสรู้ได้พระองค์ก็ช่วยให้เขาตรัสรู้ไม่ใช่ไหมโอ้ที่ช่วยใครได้ไปหมดไม่ใช่นะช่วยคนที่พอจะช่วยได้นะเอาบอกว่าอย่างเช่นในโลกนี้สมมตนะอิอาจารย์เก่งมากมีความรู้มากเอาพวกพิการตาพิการหูมาสอนได้ไหมล่ะ ได้ไหมเก่งมากเลยนะเป็นอาจารย์ชั้นพิเศษโอ้ยสอนเก่งจริงบริงยายดีมากนะเอาคนตาบอดมาฟังเอาคนหูหนวกทั้งตาบอดทั้งหูหนวกพิการทางปัญญามานั่งฟังเนี่ยนะอาจารย์ทําอะไรได้บ้างจะไปทําอะไรได้เนี่ยนะนี่ก็เหมือนการพระพุทธเจ้าช่วยเฉพาะคนที่ควรพอจะข้ามได้ควรข้ามแปลว่าพอจะข้ามได้ให้เขาข้ามช่วยคนที่พอจะตรัสรู้ให้ ตรัสรจริงๆพระองค์อยากจะช่วยพวกเรามากแต่ตอนนั้นช่วยไม่ได้นะนะจริงๆพระองค์อยากช่วยเรามากเลยนะครุณาเชา้กากรุณาบ่ายการุณาเชา้กากรุณาบ่ายหาช่องแล้วหาช่องอีกแต่หาไม่มีช่องเลยนะแล้วก็ดูว่าพระพุทธเจ้าโคตมะจะช่วยเราสําเร็จรหรือเปล่านะสงสารพระพุทธเจ้าเลิศเกินดับขันตรินิพพานแล้วเหนื่อยเนี่ยนะสงสารเราอสิที่แหมพระองค์โปรดไม่สําเร็จนะ่ะนะ หลังจากที่พระองค์เนี่ยนะตรั ส, สเสด็จ ด, ดับขันปรินิพานหลังจากที่ทําบาเพ็ญพุทธกิจโดยประการทั้งปวงครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีบัณฑิตที่ไหนจะไปติเตียนได้นะพระองค์ทากิจเหล่านั้นเสร็จแล้วก็ปรินิพานเหมือนเดือนดับหลังจากนั้นก็โลกก็มืดมนอนทการปราศจากพุทธศาสนาต่อไปเนี่ยนะปกติของโลกเนี่ยไม่มีพุทธศาสนานะ พุทธศาสนาชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีครั้งคราวเนิ่นนานผ่านไปจึงจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าอยู่แบบไม่มีศาสนาให้รู้เท่าว่านั่นคือคนปกติปกติของผู้ที่เฝ้าขันท่าอายตนะเฝ้าวัดตะทั้งหลายเนี่ยนะเฝ้ากรรมวัดวิปากวัิกิเลสวัทเนี่ยผลปกติทั่วไปคือคนที่ไม่มีศาสนา ไม่มีพระพุทธศาสนานะไม่มีคำว่านิศินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะฆ่าก็ได้พร้อมที่จะโ ก, ะกงก็ได้พร้อมที่จะทำชั่วทุกชนิดได้หมดอะแล้วแต่ว่าน้อมไปเพราะปกติเขาไม่มีอธิศินอธิจิตอาธิปัญญา เขาไม่มีสมถาวิปัสนาเขาไม่มีการกําหนดรอบรู้กองทุกขไม่มีการละสมุทัยไม่มีการทํานิโรธให้แจ้งไม่มีการอบรมคุณธรรมเพื่อเจริญโสดาปบติมากสกาทาคามิมากอนาคามีมากอรหัตตมักนั่นคือปกติของชาวโลกอ น, นันเมื่อมีคําสอนเมื่อไหร่เมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกอย่างนี้เรียกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยนะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งแปลว่าโอกาสแบบนี้นานจะมีสักครั้งหนึ่ง แต่ว่าโอกาสเหล่านั้นก็อย่างคําว่าโอกาสแปลว่ามันไม่ได้มีอยู่ตลอดไปถ้ามีอยู่ตลอดเวลาเขาก็ไม่เรียกว่าโอกาสฉันใดพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีบางคนเดินทางทั้งวันเลยนะกลางคืนนอนนอนเช้ามารีบไปเลยเพื่อที่จะไปให้ทันพระพุทธเจ้าไม่ค้างคืนสองคืนเลยที่ไหนสักแห่ง เพื่อจะไปให้พบพระพุทธเจ้าเช่นปกกุศลสติกุลบดเช่นพาหิยะทารุจริยะพวกนี้เดินทางอย่างเดียวเลยนะมุ่งอย่างเดียวเพื่อจะไปพบพระพุทธเจ้าให้ได้เดินทางทางั้งบางท่านถ้าเดินทางกลางคืนได้ก็จะรีบไปกลางคืนไปให้ทันพระพุทธเจ้าเขาเหล่านั้นเขาเป็นอย่างนั้นเพราะโอกาสแบบนี้หาได้ที่ไหนเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราตามไม่บอดหูไม่นวงเนี่ยนะรีบฟังไว้เทอลงเรื่องต้องหูหนวกโอ้ยพูดอะไรก็ไม่ได้ยินเนี่ยยุ่งมากแล้วนะมาหวานโยมเข้ามา เมื่อวานเขาบอกว่าที่เข้ามาเอ๊ะปกติเราก็แปลกใจทําไมเสียงโยงคนนี้เขาฟังทําท่าเอะอาวยวายแต่เขาอ่านหนังสือได้อ่านสวดมนต์นะนะอ่านได้ก็อบอกว่าลาแล้วนะถึงอยู่ก็ไม่ได้ยินท่านพูดหรอกเขอาอกงั้น <ś c oughs> ไปแล้วเขบาบอกช่วงนั้นก็กําลังปัญญาอยู่นะอบอกว่าถึงอยู่ก็ไม่ได้ยินท่านพูดหรืท่านพูดว่าอะไรรอกลาแล้วว่างั้นแต่ตัวโซดสวดมนต์นะถ้าบอกว่าอ่านตรงไหนก็จะอ่านกับเข้าได้นะนะ ถ้เขาเลิกไม่รู้ว่าเขาอ่านเลิกหรืออ่านหยุดก็ไม่ทราบนะเพราะหูไม่ดีนะฮะอยางนั้นนะนะเพราะฉะนั้นก็ตอนที่หูยังไม่ถึงขนาดนั้นก็รีบเรียนไว้เถอะนี่ยนะตอนที่ตามันยังไม่กลายเป็นถั่วนี่ก็รีบอ่านไว้เถอะเนี่ยนะเพราะะก็เสียดายเพราะฉ้บางทีบอกว่าตอนที่กระดูกหลังมันยังพอนั่งได้ก็อ่านไว้เถอะเนี่ยเพราะนอนอ่านเดียวตาก็เคเดี๋ยวก็เหล็กแล้วเดี๋ยวก็เดือดร้อนอีกเพราะั้นตอนที่สุขภาพยังดีอย่าประมาทเลยเนี่ยนะ เราก็ถูกก็หวดหลังเพราะว่า ม, ามันลุ่งเรืองเข้าลาบากพูดถึงต่อไปว่าเนี่ยน ะ, ะาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวาสุมณะก็หมดไปจากโลกพระภิกษุขีนาศพเหล่านั้นผ้าหันตสาวกถึงจะมีเป็นร้อยโกดพันโกธแสนโกธท่านเหล่านั้นพร้อมทั้งพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระองค์ พระขีนาศพและพระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มียศยิ่งมีบริวารมากสำแดงรัศมีที่ไม่มีอะไรเปรียบเหมือนกับส่องสว่างแบบไม่มีอะไรเปรียบแล้วก็ดับไปเหมือนประทีปที่สว่างขึ้นมาโพล่งขึ้นมาสว่างสวัยทั่วไปหมดเมื่อไม่เชื่ อ, อ, อ ไ, มไม่เชือ้อหมดไส้ไร้น้มันเนี่ยนะหลังจากนั้นประทีปแสงสว่างอ น, นั้นก็ มอดไปหมดไปฉันใดพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกเหล่านั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันขนาดพระองค์มีพระญาณที่ไม่มีอะไรจะวัดได้เช่นกับอากาศไม่มีอะไรจะวัดได้พระรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะที่ไม่มีอะไรชั่งได้นั้นนะปัญญาที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณรัตนะเหล่านั้น ก็อันตรธานไปหมดสิน้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้เหมือนกับว่าเหมือนกับไปอินเดียเนี่ยนะมันช่างบ้างเปล่าช่างเหลือแต่ขุนเขาเนี่ยนะเหลือแต่ภูผาอีกไม่นานขุนเขาและภูผาถ้าระเบิดออามาทำถนนก็โมดเนี่ยนะมันก็ไม่สังขารทั้งหลายอันนีจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะเนี่ยนะอุปทวิยธรรมิโน มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเช่นชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยเป็นธรรมดาอุปถวมะยธรร ม, มนิโถ้าดับชาติได้ก็เป็นอันดับชาติชรามรณะได้ผู้ใดที่ดับชาติชรามรณะได้เตสังวูปสโมสุโคนั่นแหละสุกแท้สุขจริงเหมือนกันถ้ายังดับทุกข์ไม่ได้ก็เหมือนกับว่าทิ้งแผลอันนี้ก็ถือเอาแผลอันใหม่ นะเหมือนกับว่าทําท่าจะรักษาฝีอันนี้หายขึ้นมาให ม, ให ม, ใหม่ตั้งหลายหัวอย่างงั้นนะก็ทุกร้อนอย่างนั้นแหละวตะสรุปว่าพระสมณะพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงยศมีบริวารมากเสด็จดับขันปรินิพานณพระวิหารอังคารามชินะสถูปการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ของพระองค์นั้นสูงถึงสี่ยอดบัดนั้นเจดีย์เหล่านั้นก็เหมือนกับภูเขาที่ล่มสลาย บัตนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วนี่ยนะสังขารทั้งหลายช่างว่างเปล่าแท้ท่า น, นพวกเราเนี่ยอีกร้อยปีข้างหน้าจะมีใครรู้รู้จักชื่อเราหรือเปล่ายั<ม>ว่ารู้จักใครจะรู้ชื่อเราไหมเนี่ยอีกห้าร้อยปีข้างหน้าเนี่ยนะประวัติสมัยหนึ่งเคยมีคุณป้าท่านหนึ่งไม่เหลือแล้วเนี่ยนะเขพูดถึงเสียเวลาวเวลาเขารออะนะก็เหมือนกับเราห ล, ลายๆเรื่องก็ไม่เห็นเนี่ยเอาคนยุคกเก่าแต่ก่อนคนนั้นทํามานั่นคนนี้ทําอย่างนี้ ก็นั่นแหละสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้และควรแล้วที่จะสังเวทเนี่ยนะเมื่อสังเวทเป็นเหตุใกล้แห่งความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกล้แห่งโยนิโสมณัิการโยนิโสเป็นเหตุใกล้แห่งปราโมทปีติปสัสสธิสุขสมาธิเนี่ยนะก็เป็นเหตุใกล้แห่งยะาภูตยานทัศน์นิพิธาและวิราคะควรแล้วที่เราจะพิจารณาใคร้ครวนเพื่อที่จะรู้เห็นอริยสัจข้ามทุกตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลันจากผลบุญที่เกิดจากการฟังพระพุทธวงศมณะอนาวงของพระสมณะพุทธเจ้าบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้ฟังเหล่านี้ขอจงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับทุกข์ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ด้วยการอนุโมทนาวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้